นนั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียรเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงบเคลาป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้เกียจคร้านปราศจากความเพียรส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้เกียจคร้านไม่ใช่ปราศจากความเพียร เข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้ปรารกความเพียรพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้ปรารกความเพียรเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปรารกความเพียรนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราม เรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งขาดสติสัมปชัญญะความระลึกได้และความรู้ตัวเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบส ง, งัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้ขาสติสัมปชัญญะส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้ขาสติสัมปชัญญะ เข้าอาศัยเ ส, าสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้มีสติมั่นคงพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้มีสติมั่นคงเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีสติมั่นคงนั้นในตนจึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพราหมณ์ เรานั้นได้มีความดําริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตดิ้นรนกขดแกว่งเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบส ง, งัดคือป่าโปร่งและป่าทึบสมณะหรือพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นและมีจิตดิ้นรนกขดแกว่งส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น มีจิตไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคื อ, อ ป, ป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธินั้นในตน จึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าพรามเรานั้นได้มีความดำริว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปรงและป่าทึบสมณะหรือพรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมประสบความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะเหตุแห่งโทษของตนคือความเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา ส่วนเราไม่ใช่เป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาพระอริยะเหล่าใดเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาพระอริยะเหล่านั้นพราหมณ์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญานั้นในตน จึงถึงความเป็นผู้ปลอดภัยอย่างยิ่งเพื่ออยู่ในป่าเหตุสะดุ้งกลัวการอยู่ในเสนาสนะป่า16ประการจบพราหมณ์เรานั้นได้มีความดาริว่า ทางที่ดีเราควรอยู่ในเสนาสนะเช่นนี้คืออารามเจดีวนะเจดีรุขเจดีอันน่าสะพรึงกลัวน่าขนพองสยองกล้าวในราตรีที่กาหนดรู้กันว่าวันสิบสี่ค่ํสิบห้าค่ำและแปดค่าแห่งปักด้วยหวังว่าเราจะได้เห็นความน่ากลัวและความคลาดต่อมาเราได้อยู่ในเสนาสนะและราตรีดังกล่าวแล้วนั้น เมื่อเราอยู่ในเสนาสนะนั้นสัตว์ป่ามานกยุงทำไม้ให้ตกลงมาหรือลมพัดเศษใบไม้ให้ตกลงมาเรานั้นได้มีความดำริว่าความกลัวและความขลาดนี้นั้นย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเรานั้นได้มีความดำริว่าเพราะเหตุไรเราจึงหวังเฉพาะแต่เรื่องความกลัวอยู่อย่างเดียวทางที่ดีเราควรจะกำจัดความกลัวและความขลาดที่เกิดขึ้นแก่เรา ในอิรยาบทที่เราเป็นอยู่นั้นเสียเมื่อเรากำลังจงกรมอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนจะจงกรมอยู่จนกว่าจะกำจัดความกลัวและความคลาดนั้นได้เมื่อเรายืนอยู่ความกลัวและความคลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนจะยืนอยู่จนกว่าจะกาจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้เมื่อเรานั่งอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่นอนไม่ยืนไม่จงกรมจะนั่งอยู่จนกว่าจะกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้เมื่อเรานอนอยู่ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เราเราจะไม่ น, นั่งไม่ยืนไม่จงกรมจะนอนอยู่จนกว่าจะกําจัดความกลัวและความขลาดนั้นได้ สัตผู้ไม่ลุ่มหลงพราหมณ์มีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งเข้าใจกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางวันเข้าใจกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเรากล่าวการมีเข้าใจเช่นนี้เพราะสมณะพรามณ์เหล่านั้นอยู่ด้วยความหลงส่วนเราเข้าใจกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางคืนเข้าใจกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางวันบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องควรกล่าวกับเราว่า สัตผู้ไม่มีความหลงได้อุบัติแล้วในโลกเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรามเราปรารบความเพียนไม่ย่อ ย, ย่อนสติก็มั่นคงไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระ ง, งับไม่กระสับกระสายจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์แน่วแน่เรานั้น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 เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวนไหวอย่างนี้เรานั้นจึงน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้าง10บชาติบ้าง 20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง4ี่สบชาติบ้าง50บชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกรเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้า ง, ต ล, ต, ลาางตลอดสังวัตกับและวิวัตกรับเป็นอันมากบ้างว่าในภพน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวั น, นะมีอาหารสวยสสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้น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 แต่หมูสัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเมื่อกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบและชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราเห็นหมูสัตว์ผู้กาลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เนื้อมนุษย์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 ปราจะจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้เรานั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โร ธ, โร ธ, ธาคาไม่มีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโร ธ, าโร ธ, ธาคาไม่มีปฏิปทา เมื่อเรานั้นรู้เห็นอย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสะวะภวาสะวาและอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทาเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปเราบรรลุวิชาที่สามนี้ในปัชิมยามแห่งราตรี กำจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกำจัดความมืดได้แล้วความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกกายและใจอยู่ฉะนั้นพรามบางคราวท่านอาจมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระโคโดมยังไม่เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเข้าอาศัยเสยนาสนะอันเงียบสงบเคอป่าโปรงและป่าทึบ ท่านไม่ควรเห็นอย่างนั้นเราเห็นอำนาจประโยชน์2ประการคือ 1. การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตน 2. การอนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังจึงเข้าอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบ ชานุโสนิเป็นพุทธมามะกะชานุโสนิพรามกราบทูลว่าท่านพระโคโดมได้อนุเคราะห์ชุมชนผู้เกิดในภายหลังนี้แล้วเหมือนอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ฉะนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิก ข, ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาสิก ข, ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหลพยะเพรวะสูตรที่สจบ 5. อาอนังคณะสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลสี่ประเภทข้าพเจ้าได้ฉดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกระเศรษฐีเตครุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคาแล้ว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 เรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 3. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตน 4. บุคคลบางคนเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและร <ver> ู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสประเภทนั้น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 บรรดาบุคคลสองประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บรรดิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐบรรดาบุคคลสประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บรรดิตกล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำสาม บรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลใดเป็นผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเราไม่มีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนบรรดาบุคคลสองประเภทที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านพระมหาโมคลานะได้ถามท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ว่าท่านสารีบุตร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 เป็นบุรุษประเสริฐท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุบรรดาบุคคลสี่ประเภทนั้นบุคคลผู้มีกิเลสเพียงดังเนินแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรามีกิเลสเพียงดังเนินภายในตนพึงหวังข้อนี้ได้คือเขาจากไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นจากไม่พยายามจากไม่ปรารบความเพียรเพื่อละกิเลสเพียงดังเนินนั้นเขาจาเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะ มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตเศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองมีฝุ่นและสนิมจับเกระกลังเจ้าของจะไม่พึงใช้สอยและไม่ขัดสีภาชนะสำริดนั้นซ้ำยังเก็บมันไว้ในที่ที่มีฝุ่นละอองฉะนนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสำริดนั้นพึงเป็นของเศร้าหมองถูกสนิมจับยิ่งขึ้น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 เขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสำริจที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลช่างทองมีฝุ่นและสนิมจับเกลกระงเจ้าของจะพึงใช้สอยและขัดสีภาชนะสำริดนั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่ที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นต่อมาภาชนะสำริจนั้นพึงเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใส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 เพราะไม่มนสัสการสุพนิมิตนั้นราคะาจากไม่ครอบงําจิตเขาจะเป็นผู้ไม่มีราคะโทสะโมหะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินมีจิตไม่เศร้าหมองตายไปเปรียบเหมือนภาชนะสมริดที่เขานํามาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลแฉ่งทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเจ้าของใช้สอยและขัดสีภาชนะสมริดนั้นทั้งไม่เก็บมันไว้ในที่ ท, ที่มีฝุ่นละอองฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น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 เป็นบุรุษประเสริฐและนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บรรดาบุคคลสองประเภทผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเหมือนกันนี้บุคคลหนึ่งบัณฑิต ก, กล่าวว่าเป็นบุรุษต่ำทา ม, ามแต่อีกบุคคลหนึ่งบัณฑิต ก, กล่าวว่าเป็นบุรุษประเสริฐ กิเลเพียงดังเนินท่านพระมหาโมคลานถามว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่ากิเลเพียงดังเนินกิเลเพียงดังเนินคำว่ากิเลเพียงดังเนินนั่นเป็นชื่อของอะไรหนอท่านพระสารีบท ต, ตอบว่าท่านผู้มีอายุคำว่ากิเลเพียงดังเนินนี้เป็นชื่อของอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศล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 ภิกษุผู้ไม่เสมอ ER กันไม่พึงโจดเราแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้ไม่เสมอ ER กันพึงโจภิกษุนั้นภิกษุผู้เสมอ ER กันไม่โจภิกษุนั้นดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุผู้ไม่เสมอ ER กันโจรเราแต่ภิกษุผู้เสมอ ER กันไม่โจรเราความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนิน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 พื่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋เนาขอภิกษุทั้งหลายแวดล้อมเราเท่านั้นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อพัฒนาไม่แวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อพัฒนาแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุทั้งหลายพึงแวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อพัฒนาไม่แวดล้อมภิกษุนั้นอย่างหนาแน่นเข้าบ้านเพื่อพัฒนาดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่า ภิกษุทั้งหลายแวดล้อมภิกษุอื่นอย่างหนานแน่นแล้วเข้าบ้านเพื่อพัฒนาหารไม่แวดล้อมเราอย่างหนานแน่นเข้าบ้านเพื่อพัฒนาหารความโกรธและความไม่เช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อานะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบิณทบาทที่ดีเลิศ ในโรงฉันภิกษุอื่นไม่พึงได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาที่ดีเลิศในโรงฉันแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทะบาที่ดีเลิศในโรงฉันภิกษุนั้นไม่ได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาที่ดีเลิศในโรงฉันดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่า ภิกษุอื่นได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาต ท, ที่ดีเลิศในโรงฉันเราไม่ได้อาสนะที่ดีเลิศน้ำที่ดีเลิศบินทบาต ท, ที่ดีเลิศในโรงฉันความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอนอ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 เราฉันในโรงฉันเสร็จแล้วไม่ได้อนุโมทนาความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุอื่นไม่พึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอาราม แต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอารามความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนิน เป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นพึงได้แสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายผู้อยู่ในอารามและถึงพึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายพึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายภิกษุอื่นไม่พึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่น พึงได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามภิกษุนั้นไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอารามเราไม่ได้แสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายผู้อยู่ในอาราม bathroom bathroom bathroom bathroom. ความโกรธและความไม่แช่มชื่น <_. S 2> ทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลเพียงดังเนิน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 ภิกษุอื่นไม่พึงได้จีวรอันปราณีตแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้จีวรอันปราณีตภิกษุนั้นไม่ได้จีวรอันประณีตดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้จีวรอันปราณีตเราไม่ได้จีวรอันปราณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นไปได้ที่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ พึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราเท่านั้นพึงได้บินธบาตอันปราณีตและถึงเสนาสนะอันประณีตคีลานปัจจัยเพศสัตวบริขารอันปราณีตภิกษุอื่นไม่พึงได้คีลานปัจจัยเพศสัตวบริขารอันปราณีตแต่เป็นไปได้ที่ภิกษุอื่นพึงได้คีลานปัจัยเพศสัตวบริขารอันปราณีตภิกษุนั้นไม่ได้คีลานปัจจัยเพศสัตวบริขารอันปราณีต ดังนั้นภิกษุนั้นก็จะโกรธไม่แช่มชื่นเพราะคิดว่าภิกษุอื่นได้คีลานปัจัยเพสัชบริขารอันปราณีตเราไม่ได้คีลานปัจจัยเพสัชบริขารอันปราณีตความโกรธและความไม่แช่มชื่นทั้งสองนี้ชื่อว่ากิเลสเพียงดังเนินท่านผู้มีอายุคําว่ากิเลสเพียงดังเนินนี้เป็นชื่อแห่งอิจฉาวจรทั้งหลายที่เป็นบาปอาคุศล อีกเช้าวจรที่เป็นบาปอกุศลท่านผู้มีอายุอิกเช้าวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ที่พิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้ว่าพิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีเสนาสนะอันสงัดถือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดครองจีวรเศร้าหมองก็ตาม เพื่อนโมจารีทั้งหลายก็ไม่สักกราระเคารพนับถือบูชาภิกษุนั้นเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นที่ภิกษุนั้นยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ภาชนะสำริ์ที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตะกูลช่างทองเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสพวกเจ้าของพึงใสซากงูซากสุนัขหรือซากศพมนุษย์จนเต็มภาชนะสำริดนั้น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 แม้คนที่หิวก็ไม่ต้องการจะ บ, บริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่บริโภคอิ่มแล้วแม้ฉันใดอิกเช้าว่าจงที่เป็นบาปอากุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่แม้ภิกษุนั้นจะเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีเสนาสนะอันสงัดถือบินทบาทเป็นวัดเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัด ครองจีวรเศร้าหมองก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็ไม่สักกระะาระเคารพนับถือบูชาภิกษุรูปนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวาจลที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปนั้นยังละไม่ได้ยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่อิจฉาวาจลที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์ครองจีวรของขหาบดีก็ตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็สักการ ะ, ระเคารพนับถอบูชาเธอข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นภิกษุรูปนั้นละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ภาชนะสำริดที่เขานำมาจากร้านตลาดหรือจากตระกูลแช่งทองเป็นของบริรสุทธิ์ผ่องใส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 ความพอใจความเป็นของไม่น่าปฏิคูลและความเป็นของไม่น่ารังเกยียจจึงเกิดขึ้นพร้อมกับการเห็นเข้าสุกแห่งข้าวสาลีนั้นแม้คนที่บริโภคอิ่มแล้วก็ต้องการบริโภคไม่ต้องกล่าวถึงคนที่หิวเลยแม้ฉันใดอีกเช้าว่าโจนที่เป็นบาปอกุศลเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่ แม้เธอจะอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านรับนิมนต์ครองจีวรของขหบดีข้อตามเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายก็สักการะเคารพนับถอบูชาเธอข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอิจฉาวจรที่เป็นบาปอากุศลเหล่านั้นที่ภิกษุรูปนั้นละได้แล้วยังปรากฏและเล่าขานกันอยู่